เมื่อเข้าไปทำงานแล้วตอนเข้าไปทำใหม่ๆขยันพอสมควรเคร่งครัดการแต่งกายเคร่งครัดเรื่องเวลาไปทำงานและตอนเลิกงานยังอุตส่าห์ทำงานเกินเวลาเรียกว่าทำด้วยอุดมการหรือทำด้วยใจใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็ชอบทำได้สักระยะหนึ่ง อุดมการที่เคยมั่นคงเริ่มเปลี่ยนงานทุกอย่างเริ่มบอกปัดทำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีเวลาขอย้ายกลับบ้านขอย้ายตามคู่สมรสขอบ้านพักถ้าเป็นบ้านเช่าก็ควรจะเบิกได้งานการเริ่มไม่อยากจะทำแต่เงินเดือนอยากได้สูงมาทำงานเริ่มพอดีกับเวลาและนานเข้าก็เริ่มสายบ้าง เวลาจะกลับนั่งดูนาฬิกาถึงเวลาก็ออกจากที่ทำงานทันทีไม่สนใจอะไรแล้วมีงานข้างค้างค่อยมาทำวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปจิตใจอยากได้แต่สิ่งตอบแทนคือเงินเดือนสูงแต่ไม่อยากได้งานมากและหาช่องทางในการรับผลประโยชน์จากการทางานเริ่มรู้ ทางนี้ทีไล่คำอย่างไรไม่ผิดระเบียบข้อกฎหมายที่ตนพอจะเลี่ยงและหาผลประโยชน์ได้ก็เริ่มคิดหาลู่ทางโดยอาศัยงานที่ทำเป็นเครื่องเกราะกำบังอาศัยอำนาจในหน้าที่กอบโกยผลประโยชน์อันไม่ควรได้ก็พยายามทำให้เป็นสิ่งที่ควรได้จึงทาให้เป็นคนมัวเมาอยู่ในกิเลสตัณหา แห่งความอยากได้อยู่นานเข้าหลายๆายปีมีอํานาจมีตําแหน่งที่สูงขึ้นก็รับผลประโยชน์มากขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันเหลวของคนเล ว, ว่าต้องทําอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาเขาก็ทํากันมาอย่างนี้การศึกษาเล่าเรียนที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกให้รู้ว่าการศึกษาทําให้คนเป็น คนรู้จักคิดรู้จักผิดชอบชั่วดีเป็นต้นคนเหล่านี้ทิ้งการศึกษาคือพัฒนาคนและพัฒนาชาติกลับมายึดถือว่าการศึกษาเพื่อผลประโยชน์ตนและเป็นคนปล้นชาติปล้นภาษีประชาชนปล้นกระทั่งภาษีของพ่อแม่ตนเองอย่างนี้ชั่วแน่โจรสอบเข้าครับท่าน ประเวศกรเทพ